ความประเสริฐแห่งผู้มีศีลพระพุทธภาษิตโยจะวัสะสตังชีเวดุสิโลอสมาหิโตเอกะหั่งยีวิตังเซโยสีละวันตัสะชายิโนแปลความว่ า, วาผู้ใดทุศีลใจไม่มั่นคงคือไม่มีสมาธิมีชีวิตอยู่ร้อยปีการมีชีวิตอยู่ของผู้นั้นไม่ประเสริฐ ส่วนการมีชีวิตอยู่ของท่านผู้มีศีลมีฌานแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าอธิบายความคนทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องมือห ม, มและยาแก้โรคสัตว์อื่นๆก็ดำเนินชีวิตไปทนองเดียวกันมีการหลับนอนการเสพกามเพื่อปลดเปลื้องความกําหนัดเป็นต้นรวมอยู่ด้วยด้วยอาการเพียงเท่านี้มนุษย์แลสัตว์ไม่มีอะไร แตกต่างกันสมดังคำที่ว่าอาหาระนิธาพยะเมทุนันจัสามมัญยะเมตัมปะสุภินารานังธโมหิเตสั่งอธิโกวิเซโซธามเณมหีนาปะสุภิสมานาแปลว่าการกินอาหารการนอนความกลัวภยัยและการเสพกามคือเมถุนเป็นสิ่งสามัญมีเสมอกันทั้งในสัตว์และบุคคล ทำนั่นแหลทําให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์มนุษย์ที่ไม่มีธรรมจึงเสมอกันกับสัตว์เพื่อมีให้เสมอกันกับสัตว์มนุษย์จึงควรมีธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษยธรรมกล่าวคือเมตตากรุณาไม่โลบทรัพย์สินของผู้อื่นพอใจในคู่ครองของตนไม่ประพฤติผิดทางเพศพูดจริงและมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นอันหนึ่ง เพื่อให้การทําความดีดำเนินไปโดยราบรื่นไม่มีสิ่งคอยหน่วงดึงจึงควรเว้นสิ่งที่ควรเว้นอีกด้วยในขั้นต้นทานสอนให้เว้นความชัวยย่วหยบยาบก่อนเช่นเว้นจากการฆ่าและการเบียดเบียนเว้นจากการลักทรัพย์ยักยอกช่อชนเว้นจากประพฤติผิดในการมเว้นจากพูดเท็ดและเว้นจากการดื่มสุรามีไรจนเมาไมา้คลองสติไม่ได้เอาตัวไม่รอด สิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าศีลคนประพฤติล่วงศีลหนึ่งหนึ่งนี้ท่านเรียกว่าคนทุศีลคนไม่มีธรรมตามที่กล่าวไว้ข้างบนแล้วท่านเรียกว่าคนไรธรรมคนใดทุศีลมากไรธรรมมากคนนั้นก็เสื่อมเร็วคนใดมีศีลมากมีธรรมมากคนนั้นก็เจริญเร็วในศีลห้าประการนั้นประการสุดท้ายคือการดื่มสุราเมลายนั้นสังคมไทยถือว่าหากดื่มแต่พอประมาณ ดื่มแล้วรักษาความเป็นสุภาพชนไว้ได้ก็ไม่เป็นการเสียหายเป็นเครื่องเพิ่มพูนความสนุกร่าเริงให้คนไทยจึงนิยมดื่มกันทั่วไปยิ่งในสังคมชาวยุโรปอเมริกาก็ยังดื่มกันมากบางประเทศโดยเฉพาะประเทศหนาวดื่มแทนน้ำก็มีแต่เป็นประเภทเหล้าอมุนการดื่มสุราแต่พอประมาณจึงนิยมอยู่ในสังคมทั่วไปส่วนการดื่มจนเมาไม่เอาตัวไม่รอดนั้นสังคมไหนก็รังเกียจ หากจะต้องดื่มสุราก็ควรมีคถาป้องกันตัวไว้อย่างหนึ่งว่าจะไม่ยอมให้เสียความเป็นสุภาพชนบางคนยิ่งดื่มยิ่งสุภาพยิ่งใจดีอย่างไรก็ตามข้อสุรานี้ใครเว้นได้อย่างเด็ดขาดก็เป็นความดีอย่างหนึ่งของท่านผู้นั้นเพราะปลอดภัยจากการหมดเปลืองทรัพย์ไปเป็นอย่างมากคนดื่มสุราเป็นถึงอย่างไรก็ต้องเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงเราเลี้ยงเขาบ้างเขาเลี้ยงเราบ้างเดือนหนึ่งก็หลายเหมือนกัน แต่นักการค้าธุรกิจหรือพวกบิสเนสแมนถือว่าสุราเป็นเครื่องเชื่อมสัมพันธ์ทําให้การติดต่อธุรกิจดําเนินไปได้สะดวกพูดทุรอะไรกันง่ายขึ้นใครที่ยังรักษาสีห์ห้าไม่ได้ก็รักษาศีห์สีไปก่อนหากสี่ก็ยังไม่ได้อีกก็รักษาเพียงแค่สามไปก่อนเพราะมนุษย์ยังต้องประพฤติ ธ, ธรรมอีกมากการรักษาสีหก็เป็นการประพฤติ ธ, ธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันมนุษย์จรทำอีกอย่างหนึ่งคือ ความกตันยูกระตาเวทีซึ่งมนุษย์ทุกคนควรจะมีปราศจากความกตันยูเสร็จแล้วคุณธรรมอย่างอื่นก็พลอยเสื่อมสูญเพราะความกตันยูเป็นรากฐานเมื่อรากฐานสุดเรืนก็พังการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เราจึงควรให้ชีวิตนั้นควบคู่ไปกับศีลธรรมการทําความดีการบําเพ็ญประโยชน์ชีวิตที่ปราศจากประโยชน์ก็ตกอยู่ระดับเดียวกับชีวิตสัตว์ทั่วไป สัตว์บางประเภทด้วยซ้ำยังใช้งานเป็นประโยชน์แก่สังคมได้เช่นวัวกวายสุนัขสัตว์บางประเภทตายแล้วกระดูกงาเขาหนังและเนื้อของมันยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ส่วนมนุษย์เรานี้เนื้อหนังเอาไปทำอะไรไม่ได้เมื่อตายแล้วสิ่งที่ยังเหลืออยู่คือชื่อความดีความชั่วผลงานที่ทำไว้แก่สังคมสมดังที่ท่านกล่าวว่าเพื่อศึกณ์สอน อีกุญชรที่ปลดปลงโททนเสน่งคงสาคัญหมายในกายมีนราชาที่วางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิต ท, ทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาด้วยประการชนีใครจะให้ส่วนดีหรือส่วนชั่วของตนสถิตอยู่ในโลกก็เลือกทําเอาเพราะชั่วดีเป็นตราประทับไว้ในโลกเสมอคนที่จะรับมรดก ชื่นหน้าหรือขายหน้าของเราก็คือบุตรหลานอันเป็นที่รักของเราจะอธิบายความเป็นผู้มีใจมั่นคงและมั่นคงตามที่กล่าวไว้ในพระคาถาต่อไปอะสมาฮิโตหรือชายีโนความมีใจไม่มั่นคงนั้นทำให้คนไม่น่าครบทำอะไรไม่สำเร็จส่วนความมีใจมั่นคงทำให้เป็นคนน่าครบและเป็นทางให้ความสำเร็จในสิ่งที่ประสงค์ คนทุกคนเมื่อคบมิตรก็ต้องการมิตรที่มีใจมั่นคงไม่รักง่ายนายเร็วหรือพอใจคบแต่เวลาที่มิตรมีความรุ่งเรืองร่ำรวยพอตกต่ำลงก็แหนงหน่ายหาเรื่องห่างเหินเราทุกคนต้องการมิธีใจคอมั่นคงไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติท่านกล่าวว่ายามจนเห็นใจมิตรยามศึกประชิดเห็นใจทหารยามให้กูรัพย์สารเห็นใจคนซื่อสะอาด ยามสมบัติวินาศเห็นใจพัญญาตนเป็นต้นทุกคนต้องการหลีกห่างจากคนปอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบและคนชักชวนในทางขีปายตรงกันข้ามต้องการมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกขมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่หลักมีอยู่ว่าเราต้องการผลเช่นใดเราต้องทําเหตุให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดก้นให้เริ่มไปจากเราก่อนเช่นเราต้องการมิตรที่แท้จริง เราควรเป็นวิธีแท้จริงต่อผู้อื่นที่เราต้องการครบเป็นมิเสียก่อนเขาเห็นความจริงของเราแล้วก็จะจริงตอบมากล่าวในเรื่องส่วนตัวคนใจไม่มั่นคงย่อมเป็นคนจับจดในการงานจับอะไรไม่มั่นต้องการผลเร็วเกินไปไม่รู้จักรอคอยเลยกลายเป็นคนทําอะไรไม่สําเร็จทําเรือก็กลายเป็นไม้เขียบปูนอย่างในนิทานทําการอย่างไฟไม่ฟังลุกพึบผับขึ้นประเดี๋ยวประดาวแล้วมอดไป ส่วนคนมีใจมั่นคงย่อมค่อยทาค่อยไปจับทำอะไรแล้วไม่วางง่ายนึกอยู่เสมอว่าเมื่อไม่เห็นผลในวันนี้ก็ต้องเห็นผลในวันหน้าการทำงานใหญ่ต้องรอคอยผลนานทำการอย่างไฟสุงขรนมีความเพียรพยายามสม่ำเสมอไม่เร่งเรียกร้องผลเพราะผลเป็นเรื่องของเหตุที่จะบันดานให้เกิดหน้าที่ของเราคือทำเหตุเมื่อเหตุดีแล้วความสาเร็จจ้อมีมาเองขอแต่ให้จับให้มั่น ดังที่ท่านกล่าวว่าจับให้มันคันหมายให้ไาววอดช่วยให้รอดรักให้ชิดทิศสมัยตาให้ขาปรารถนาหาสิ่งใดเพียนจงได้สมประสงค์ที่ตรงดีอันหนึ่งพระพุทธภาสิกได้สอนไว้ว่าสามอย่างต่อไปนี้ไม่มีผลมากคือการงานที่ย่อห ย, ย่อนหนึ่งข้อวัดปฏิบัติที่เศร้าหมองหนึ่งพรหมจันทร์ที่ระลึกแล้วมีความแน่งใจในตนหนึ่งสรุปว่า การมีชีวิตของคนนั้นควรจะมีความดีการบำเพ็ญประโยชน์ควบคู่กันไปชีวิตที่ดีมีประโยชน์แม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าชีวิตที่ชั่วไร้ประโยชน์เป็นอยู่ตั้งร้อยปีพวกนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งชั่วมากเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบสังกิจจะสามเณรมีเรื่องย่อดังนี้สังกิจจะสามเณร เป็นสามนเณรของพระสารีบุตรบวชตั้งแต่อายุเจ็ดขวบและได้สำเร็จรหรัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายขณะปลงผมเสร็จนั่นเองเมื่อสามนเณรอยู่ในท้องมารดาซึ่งเป็นที่ดาของตระกูลมั่งคัง่งตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถินั้นเมื่อท้องแก่จวนคลอดแล้วมารดาได้ทำการกิริยาด้วยโรคปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งพวกญ้าทาไปเผาเนื้อส่วนอื่นๆไหมหมด แต่เนื้อตรงท้องไม่ไหม่พวกสา ป, ปเลอร์จึงยกเนื้อท้องลงจากเชิงตะ ก, ก่อนแทงด้วยเหลาเหล็กสองสามแห่งปลายเหลากระแทกหางตาของทารกพวกสา ป, ปเลอร์ไม่รู้จึงโยนก้อนเนื้อนั้นไว้บนกองฐานเอาฐานกวบแล้วรีบไปเนื้อท้องไหม้แต่เด็กไม่เป็นอะไรเป็นเช่นกับรูปทองคํานอนอยู่บนกองฐานเหมือนนอนในกลีบดอกบัวท่านกล่าวว่าบุคคลผู้มีพบเป็นพบสุดท้าย คือจะต้องสาเร็จเป็นอร ห, รหันต์ในชาตินั้นใครจะทำอย่างไรก็ไม่ตายถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันตดังนั้นทารกนั้นแม้ถูกเผาอยู่อย่างนั้นก็หาสิ้นชีพไม่ในวันรุ่งขึ้นสัตร์เรมาป่าช้าด้วยคิดว่าจากดับเชิงตะกอนเห็นเด็กน้อยนอนอยู่เช่นนั้นรู้สึกอัศจรรย์มากอุ้มทารกนาไปบ้านของตนให้หมอดูทานายหมอดูพิจารณาแล้วทานายว่า ถ้าทารกนี้อยู่ครองเรือนพวกญาติเจ็ดชั่วคนจะไม่อยากจนถ้าเขาวบวชจะมีสมณะเป็นบริวารถึงห้าร้อยคนทั้งหลายได้ขนานนามเด็กนั้นว่าสังกิจจาเพราะหางตาแตกเพราะขอเหล็กเมื่ออายุได้เจ็ดขวบสังกิจจะได้ฟังเรื่องราวของตนจากญาติบางคนแล้วเกิดความสังเวชแสดงความประสงค์จะบวชพวกญาติไม่ขัดข้องนำไปให้บวชในสนักพระสารีบุตร เธอได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในเวลาปรงผมเสร็จนั่นเองต่อมาวันหนึ่งภิกษุชาวเมืองสาวัตถีสาสิบรูปทูลาพระาศาสดาไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าพระพุทธองค์ทรงเล็งยานดูเห็นว่าอันตรายจากมีแก่ภิกษุสามสิบรูปเพราะคนกินเดนคือคนอาศัยพระอยู่คนหนึ่งแต่ถ้าสังกิตจะสามเณรไปด้วยก็จะระงับภัยนั้นได้ กิตแห่งบรรพชิตของภิกษุเหล่านั้นจากบริบูรณ์พระศาสดาทรงดำริชนีแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปกราบลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรทราบเรื่องราวนั้นและพิจารณาต่อไปว่าน่าจะมีเหตุพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่พระศาสดาทรงส่งภิกษุเหล่านี้มาได้ทราบพระพุทธประสงค์ด้วยญาณของตอนแล้วตรงนี้ขออธิบายสักหน่อยว่า เกี่ยวกับสร้างพระพุทธประสงค์้รื่องนี้คือน่าจะมีการสนทนาการทางธุรกิจคือส่งกระแสจิตสนทนาการเหมือนพวกเราใช้โทรศัพท์พูดกันในสมัยนี้พระชัน้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและพระสารีบุตรเรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องง่ายมากผู้เขียนจึงถามพิกษุเหล่านั้นว่าผู้มีอายุพวกท่านมีสามเณรแล้วหรือไม่มีท่านผู้เจริญภิษุทั้งหลายตอบ ถ้าอย่างนั้นพาสามเนนสังกิจจาไปอยู่ด้วยก็แล้วกันอย่าเลยท่านผู้เจริญเพราะทั้งหลายกล่าวพวกข้าพเจ้าเป็นภิกษุอยู่ป่าไม่มีความจําเป็นเรื่องสามะเนนอันหนึ่งพวกข้าพเจ้าอาจต้องกังวลหากสามเนนไปอยู่ด้วยผู้มีอายุความกังวลจะไม่มีแก่พวกท่านเพราะอาศัยสามเนนนี้แต่สามเนนนี้อาจต้องมีความฟังวลเพราะพวกท่านก็ได้จงรับสามะเนนไปด้วยเถิด พระาศาสดามีพระพุทธประสงค์จะให้ท่านทั้งหลายพาสามเณรไปด้วยจึงส่งมาที่นี้ภิกษุทั้งหลายทราบความนั้นแล้วจึงรับสามเณรไปในคณะด้วยไปอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งห่างจากเมืองสาวัตถีร2อยี่สิบโยชนใกล้หมู่บ้านพันสกุลพวกมนุษย์เห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้อยู่จำพรรษารับปัญญาว่าจะสมาทานศีลทาอุบสถกรรม และบำรุงภิกษุเหล่านั้นให้มีความสุขในเรื่องอาหารการครบฉันตลอดเวลาที่ภิกษุเหล่านั้นทักอยู่เมื่อภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์แล้วจึงจัดแจงสร้างที่พักกลางวันที่จงกรมวรณศาลาเป็นต้นในวันเข้าบรรษาภิกษุทั้งหลายได้ทำคาทิกากันว่าพวกเราเรียนกรรมฐานในสํานักพระพุทธเจ้าแล้วหากไม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็ไม่อาจให้พระพุทธเจ้าทรงโปรดปานได้เพราะฉะนั้นนอกจากเวลาออกบินธบาตอนเช้า และเวลาปฏิบัติบำรุงพระเถระในตอนเย็นแล้วพวกเราจักไม่อยู่แห่งเดียวกันสองโรคท่านผู้ใดไม่สบายขอท่านผู้นั้นจงตีระครังหรือให้ตีระครังพวกเราจักได้ช่วยกันทํายาเวลานอกจากนี้ขอให้พวกเราอยู่อย่างไม่ประมาทประกอบความเพียรเนือ ง, องภิกษุทุกรูปยินดีปฏิบัติตามกติกานั้นครั้งนั้นมีบุรุษเข็นใจคนหนึ่งอาศัยลูกสาวอยู่เมื่อทุพพิกระภัยเกิดขึ้นที่นั้น เขาต้องการจะไปอาศัยที่ดาคนอื่นอยู่ต่อไปจึงเดินทางไปมาพบพระเถระหลายรูปนั่งทำพธธัฒกิจคือฉันอาหารอยู่ที่หาทรายแห่งหนึ่งจึงยืนดูอยู่ใกล้ๆพระเถระถามถึงการเดินทางของเขาเขาเล่าเรื่องเป็นจริงทั้งวงให้ฟังพระเถระทราบความนั้นแล้วมีใจกรุณาจึงกล่าวว่าอุบาสกท่านคงหิวจัดจงไปนาใบไม้มา พวกเราจะให้อาหารแก่ท่านรูปละนิดรูปละหน่อยเมื่อบุรุษนั้นนำใบไม้มาแล้วภิกษุทั้งหลายจึงคลุกข้าวและกลับทํานองเดียวกับที่ตนฉันมอบให้บุรุษเข็นใจนั้นรูปละก้อนบุรุษนั้นกินอาหารแล้วไหว้พระเสระถามว่าท่านผู้เจริญวันนี้ท่านทั้งหลายไปรับอาหารในที่นิมนต์หรือไม่ดอกอุบาศกภิกษุตอบพวกชาวบ้านถวายอาหารอย่างนี้แก่พวกเราทุกวัน บุรุษเข็นใจนั้นคิดว่าเราเองขยันขันแข็งทำงานตลอดวันอยู่เสมอก็ไม่สามารถหาอาหารอย่างนี้กินได้เราควรอยู่ในสำนักของภิกษุเหล่านั้นดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าข้ า, าพเจ้าประสงค์จะอยู่ปฏิบัติรับใช้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะขัดข้องหรือไม่พวกภิกษุตอบไม่ขัดข้องเขาติดตามภิกษุเหล่านั้นไปถึงที่อยู่ปฏิบัติบำรุงอย่างดีจนภิกษุเหล่านั้นเมตตาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อล่วงไปสองเดือนเขาประสงค์จะกลับไปเยี่ยมธิดาจึงไปเฉยๆโดยไม่ได้บอกลาให้ภิโสทั้งหลายทราบเพราะคิดว่าหากบอกขออนุญาตภิโสทั้งหลายอาจจะไม่ให้ไปข้อนี้คือข้อที่ไม่บอกลาเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงระหว่างทางที่บุรุษนั้นผ่านไปมีดงอยู่แห่งหนึ่งในวันที่เจ็ดเป็นวันของโจรห้าร้อยคนทาการอ้อนวอนเทวดาว่าใครเข้ามาในดงนี้ในวันนี้ พวกเราจะฆ่าผู้นั้นแล้วทําพรีกรรมแก่ท่านด้วยเนื้อและเลือดของผู้นั้นเพราะฉะนั้นในวันนั้นผู้น้าโจรขึ้นต้นไม้ตรวจ ด, ดูพวกมนุษย์เห็นบุรุษนั้นเดินเข้าดงจึงให้สัญญาณแก่พวกโจรบุรุษนั้นถูกล้อมจับและถูกมัดอย่างมั่นคงพวกโจรขนฟืนมากองไว้เป็นกองใหญ่สีไฟด้วยไม้สีไฟเสียบหล่าไวเป็นการเตรียมเพื่อบูชาสังเวยเทวดาบุรุษนั้นเห็นแล้วถามว่านาย ข้าพเจ้าไม่เห็นหมูหรือเนื้อในที่นี้เลยฉนัยท่านจึงเตรียมคองฟืนและหลาวเป็นต้นพวกโจรบอกว่าจะฆ่าขาวบูชาเทวดาบุรุษนั้นผู้อันมรณะภัยคุกขามแล้วมุ่งแต่จะรักษาชีวิตตนฝ่ายเดียวมิได้คำนึงถึงอุปการะของพิสุทแม้แต่น้อยจึงกล่าวว่านายข้าพเจ้าเป็นคนกินเดนของพิสุทั้งหลายคนกินเดนเป็นคนกาลกันณี ส่วนภิกษุทั้งหลายแม้ออกบวชจากสกุลใดสกุลหนึ่งก็เสมอด้วยกระกษัตริย์หรือยิ่งกว่าเพราะเป็นที่เคารพแม่แห่งกษัตริย์ก็ภิกษุสาสิบเอ็ดรูปอาศัยอยู่ในดวงโน้นท่านจงค่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทำพรีกรรมเถิดเทวดาจาักยินดีต่อพรีกรรมของท่านเป็นอย่างยิ่งพวกโจรตรองคำพูดของคนกาลกินีนั้นองเล็บเปิดมาเป็นกาลกินีเอาตอนที่บอกให้ไป ข้าพิกษุนนี้เองผู้เขียนวงเล็ปิดแล้วเห็นพ้องกันว่าคนนี้พูดดีพวกเราจะฆ่าพวกกษัตริย์บูชายันดังนี้แล้วจึงให้บุรุษนั้นนำทางไปถึงที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นแต่ไม่เห็นพิกษุใดๆเลยบุรุษเข็นใจรู้กติกาของภิกษุ์ทั้งหลายพราะอยู่ที่นั้นถึงสองเดือนจึงบอกให้หัวหน้าโจนเตีระคังขึ้นภิกษุทั้งหลายที่ยินเสียงระคังผิดเวลาเข้าใจว่า ความเจ็บป่วยคงมีแก่ภิกษุรูปหนึ่งจึงรีบออกจากที่อยู่ของตนของตนพระสังฆเถระถามว่าใครตีระครังนี้หูน่าโจรตอบว่าเขาตีเองเพราะอะไรพระถามผู้กัปปเจ้าบวงสวงเทพเจ้าประจำดวงไว้ว่าจาับจับภิกษุรูปหนึ่งไปทําพรีกรรมแก่เทวดาพระมหาเถรธจึงกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่าธรรมดาภาระของพวกน้องๆผู้เป็นพี่ต้องช่วยเหลือ ดังนั้นข้าพเจ้าขอสละชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อการอยู่รอดของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอไปกับโจรเองขอท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทบำเพ็ญสมณะธรรมเถิดพระอนุพระอนุเถระคือผู้อยู่ในลำดับรองกล่าวว่าธรรมดากิจของพี่ชายย่อมเป็นภาระหน้าที่ของน้องชายที่จะช่วยเหลือดังนั้นข้าพเจ้าขอสมัครไปกับโจรเหล่านี้ ขอท่านจงอยู่บำเพ็ญสมณะธรรมด้วยความไม่ประมาทเถิดด้วยอาการอย่างเดียวกันนี้ภิกษุทั้งสามสิบรูปแสดงความจำนงขอไปให้โจนฆ่าภิกษุเหล่านั้นไม่ใช่ผู้มีมารดาบิดาเดียวกันทั้งยังไม่ได้สิ้นกิเลสแต่กระนั้นก็ยอมสละชีวิตของตนเพื่อประโยชน์ของภิกษุอื่นไม่มีใครพูดเลยสักคนเดียวว่าขอท่านจงไปเถิดสามเณรสังกิจจาได้ฟังคาพูดของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอสละชีวิตเพื่อท่านทั้งหลายเองภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าแม้หากว่าเราทั้งหมดจะถูกฆ่ารวมกันก็จะไม่ยอมสละเธอเพียงผู้เดียวทำไมอย่างนั้นขอรับสามเณรถามสามเณรภิกษุทั้งหลายตอบเธอเป็นสามเณรของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรถ้าพวกเราสละเธอพระธรรมเสนาบดีจะตำหนิเราได้ว่าพวกเราพาสามเณรไปมอบให้แก่โจร เราไม่อาศัลตคาตีตนั้นได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ศระเธอแม้เราทั้งหมดจะถูกฆ่ารวมกันก็นตามสามเณรกล่าวว่าพ่อที่ท่านทั้งหลายกล่าวดังนี้ก็ชอบอยู่แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งให้ท่านทั้งหลายไปหาอุปชายของข้าพเจ้าคือพระสารีบุตรก็ดีอุปชายของข้าพเจ้าสั่งข้าพเจ้ามากับท่านทั้งหลายก็ดีได้ชมเห็นเหตุนี้แล้วจึงสั่งมาเพราะฉะนั้นขอให้ท่าน ยอมมอบตัวข้าพเจ้าให้กับโจเรเถิดเมื่อพิกษุทั้งหลายยอมตามสามเณรจึงไหวพิสูจนทั้งสามสิบรูปแล้วกล่าวว่าหากโทษของข้าพเจ้ามีอยู่ขอท่านทั้งหลายจงอดโทษนั้นด้วยดังนี้แล้วไปกับพวกโจรความสลดใจอย่างใหญ่หลวงได้เกิดแก่พิสูจทั้งหลายตาของพวกเธอเอ่อทนด้วยน้ําตาหัวใจสัน่นพระมหาเถระได้กล่าวกับพวกโจรว่าเมื่อสามเณรเห็นไฟ เห็นเหล่าการลาดใบไม้จากกลัวเพราะฉะนั้นขอท่านจงพาสามเณรไปซ่อนไว้ที่อื่นก่อนแล้วเตรียมพิธีทั้งปวงเมื่อเสร็จแล้วจึงค่อยนําสามเณรออกมาพวกโจรพาสามเณรไปหลบซ่อนไว้หน้าที่แห่งหนึ่งแล้วเตรียมการทั้งปวงเมื่อเตรียมการเสร็จแล้วได้นําสามเณรมาสู่พิธีสถานหัวหน้าโจรชักดาบเดินเข้าไปหาสามเณรสามเณรนั่งเข่าชานหัวหน้าโจรฟันดาบตรงที่คอ ดาบงอหัวหน้าชนคิดว่าคงจะฟันไม่ดีจึงดัดดาบให้ตรงแล้วฟันใหม่ดาบม้วนเหมือนใบตาที่ม้วนเข้ามาท่านกล่าวว่าขณะที่สามเณรเข้าฌานอยู่นั้นแม้ภูเขาทับสามเณรก็จะไม่ตายไม่ต้องพูดถึงฟันด้วยดาบหัวหน้าชนเห็นอัศจรรย์ดังนั้นจึงคิดว่าก่อนนี้ดาบของเราสามารถตัดเสาหินหรือตอไม้ตะเกียนได้เหมือนตัดหยวกกล้วย แต่มาบัดนี้ดาบของเรางอคราวหนึ่งอีกคราวหนึ่งม้วนเหมือนใบตาลดาบนี้ไม่มีจิตยังรู้คุณของสามเณรเรามีจิตหารู้คุณของสามเณรไหมหัวหน้าโจนทิ้งดาบแล้วหมอบลงแทะเท้าของสามเณรพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งปวงอาศาัยอยู่ในดวงนี้ด้วยต้องการทัพย์คนจำนวนมากเห็นพวกข้าพเจ้าแต่ไกล ย, ยังตัวสัน่นไม่อาจพูดแม้เพียงสองสามคำได้ส่วนท่าน ไม่ได้มีอาการแห่งพูดสะดุ้งหวาดวันเลยแม้แต่น้อยดวงหน้าของท่านพองใสดังทองในปากเบ้าสะอาดดังดอกกัิกาที่บานเต็มที่เพราะเหตุใด ห, หนอจึงเป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด ห, หนอท่านจึงไม่คร่ำครวในเมื่อภัยอันใหญ่หลวงอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้สามเณรออกจากฌานกล่าวแก่ผู้น้าจวนว่าอัตภาพของพระอรหันต์นั้นเป็นเสมือนภาระหรือของหนักอันวางอยู่บนศีรษะ เมื่ออัตรภาพลางกายแตกทำลายไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งพระขีนาศพนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนี้จึงไม่กลัวดูก่อนนายโจรท่านผู้ไม่มีสิ่งห่วงใหญ่เป็นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สิ้นกิเลสเครื่องร้อยรัดแล้วล่วงไัยทั้งปวงได้ย่อมไม่มีทุกข์ทางใจตัณหาอันนำไปสู่พบน้อยพบใหญ่ของท่านสิ้นแล้วความตายของท่านหมดภัยเป็นดังปรงพาระอนาโกงฉนั้น ขุน่าโจรฟังคําสามเณีนแล้วแล่ดูโจรทั้งหลายและถามว่าท่านทั้งหลายจะทําอย่างไรโจรถามย้อนมาว่าก็ท่านเราจะทาอย่างไรขหน่าโจรตอบว่าเราเห็นปาฏิหารถึงป่านี้แล้วอยากไม่ยอมอยู่ครองเรือนเราจกบวชในสนักของพระคุณเจ้าผู้ข้าพเจ้าก็ขอบวชเหมือนกันโจรทั้งหลายตอบโจรทั้งห้าร้อยไหวสามมณีแล้วขอปันประชา สามเณรใช้ดาบตัดผมให้โจรตัดชายผ้าของโจรแล้วย้อมด้วยดินแดงทำเป็นผ้ากาสายะให้ตั้งอยู่ในศีลสิบเป็นสามเณรบรรพชาสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีต่อจากนั้นสามเณรคิดว่าถ้าจะพาสามเณรใหม่ทั้งห้าร้อยไปหาอุปชายะทีเดียวภิกษจนทั้งสามสิบรูปที่อยู่ในฝ่าก็จะไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมเพราะความเป็นห่วงเราใจของท่านเหล่านั้นคอยคิดถึงเราอยู่เสมอว่า ป่านี้สามเณรถูกโจรฆ่าแล้วหรือไม่หนอเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านเหล่านั้นก็ไม่อาจมุ่งหน้าทำกรรมฐานได้เราควรแวะเยี่ยมท่านเหล่านั้นก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางไปหาอุปชายยะสังกิตจะสามเณรพาอดิโจนทั้งห้า้อยไปแวะเยี่ยมภิกษุทั้งส0บรูปให้ภิกษุเหล่านั้นเบาใจเพราะได้เห็นตนแล้วพาสามเณรใหม่เดินทางไปหาพระอุปชยะ แล้วเฝ้าพระาศาสดาณเชเทวนารามเมืองสาวัตถีสามเณรได้เล่าและทูลเล่าเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นให้พระอุปชาและพระาศาสดาทราบและทรงทราบตามลําดับพระาศาสดาตรัสว่าการที่ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลเป็นผู้มีศีลในบัดนี้ไม่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าการที่ท่านไม่มีศีลทําโจรกรรมอยู่ตั้งร้อยปีดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตสืบไปว่าโยจะวัสะสะตังชีเว เป็นอาธิมีนยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาลงสามเมเนธทั้งห้าร้อยได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลาย